ดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไม่อะไรเล่าคืออาหารก็คือการกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้ดำรงอยู่ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ไม่มีอาหารหาดำรงอยู่ได้ไม่จันได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 เพราะโยนิโสมนสิการเพราะโยนิโสสัมมปทานการตั้งความเพลียนชอบถูกวิธีเราจึงได้บรรลุอนุตตราวิมุตติจึงได้ประจักษ์แจ้งอนุตตรวิมุตติแม้เธอทั้งหลายก็จะบรรลุอนุตตราวิมุตติได้ประจักษ์แจ้งอนุตตราวิมุตติได้เพราะโยนิโสมนสิการเพราะโยนิโสสัมมปทานในสัพพะสังว ร, รสูตร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 มีปุถุพจทธว่าภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายลาหนึ่งเลาใดก็ตามที่เป็นกุศลอยู่ในภาคกุศลอยู่ในฝ่ายกุศลทมเหล่านั้นทั้งหมดมีโยนิโสมนัสิการเป็นหมูนรักประชุมลงในโยนิโสมนัสิการโยนิโสมนัสิการเรียกว่าเป็นยอดของทมเหล่านั้นในมหาลิสูตรอังกุตตรนิกาย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 เพื่อความเป็นไปแห่งกรรมชั่วอโลภะอโทสะอโมหะโยนิโสมณสิการจิตทีต่ตั้งไว้ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการกระทำการยานกรรมเพื่อความเป็นไปแห่งการยานกรรมในอังคุตรนิกายเอกนิบาตข้อที่ 68, 92, 124และข้อ108มีพุทธพจน์ที่นำมาประมวลกันได้ดังนี้ว่า เราไม่เล็งเห็นทาอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิ ด, เ ก, ดเกิดขึ้นหรือให้อากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนโยนิโสมนานสิการเลยเมื่อมีโยนิโสมนานสิการกุศลธรรม ท, ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเราไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้สักอย่างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่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 เ6และ21มีพุทธพจน์แสดงความสําคัญของโยนิโสมนสิการอีกว่าเราไม่เล็งเห็นทำอย่างอื่นแม้สักข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฐิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือให้สัมมาทิฐิที่เกิดขึ้นแล้วจเจริญยิ่งขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการเลยเมื่อมีโยนิโสมนสิการสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น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 เราไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้สักข้อหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ความสงสัยที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกกำจัดได้เหมือนโยนิโสมนสิกานเลยโยนิโสมนสิการในอสุพานิมิตเป็นเหตุให้ราคะไม่เกิดและราคะที่เกิดแล้วก็ถูกละได้โยนิโสมนสิกานในเมตตาเจโตวิมุตเป็นเหตุให้โทสะไม่เกิด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 ย, ย่อมสงบผ่อนคลายเมื่อกายสงบผ่อนคลายย่อมได้เสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงย่อมนิพพิธาเองเมื่อนิพพิธาก็วิราคะเพราะวิราคะก็วิมุต